บทภาชณีติกะปาจิตตี272เจดดีรธีภิกษุสำคัญว่าเป็นเดียวรถีให้ของเคียวหรือของฉันด้วยมือตนต้องอบัตปาจิตตีเดีรธีภิกษุไม่แน่ใจให้ของเคี้ยวหรือของฉันด้วยมือตนต้องอบัตปาจิตตีเดี๋ยวรถีภิกษุสำคัญว่าไม่ใช่เดียรธีให้ของเคียวหรือของฉันด้วยมือตนต้องอบัตปาจิตตีติกะทุกกฎ ภิกษุให้น้ำและไม้ชำระฟันต้องอบัตทุกกฏไม่ใช่เดียระตีภิกษุสำคัญว่าเป็นเดียรัีต้องอบัตทุกกฎไม่ใช่เดียระตีภิกษุไม่แน่ใจต้องอบัตทุกกฏไม่ใช่เดีระีภิกษุสำคัญว่าไม่ใช่เดีรัีไม่ต้องอบัต